หวอหันเพลิดเพไปตรวจที่สิริราชหมอเขาบอกว่า เ, เส้นเสียงใช้งานเยอะไปถ้าเป็นอย่างนี้เรื่อยๆไปต่อไปมนจะเป็นขึ้นเป็นอะไรนะอังผือด้วยเลยเป็นเป็นตุ่มเนี่ เสร็จแล้วพูดไม่ได้เป็นครูบาอาจารย์หลายองค์นะให้พูดเทศชั่วโมงเดีย ว, วต้องปรับเวลาไปนอกสถานที่หลวงพ่อเทศรวดเดี๋ยวชั่วโมงครึ่งที่นี่ยเยอะเช้าๆ้าสอนพวกเรารอบแรกครึ่งชั่วโมงแล้วปิด คุยกับพวกกรรมการพวกผู้ช่วยสอนในนี้ช่วงเวลาที่ตักข้า2ยี่สิบนาทีได้เกินบาทีพักฉันข้าแป๊บเดียวแนละสิบห้านาทีไม่มีเวลามากกว่านั้นนะเอามาสอนรอบสองจบมีพระต่อทีถึงใกล้ๆสิบเอ็ดมงเยอะ อี่ตอนไปนอกสถานที่คงยะงลถลงเดียวรับตอนเทศนะในนี้ยังคิดไม่ตกพราก็น่าสงสารไม่คุยด้วยก็ไม่ดีนะ <c oughs> ท่านอยากภาวนามกันนี้พวกเราอย่างรับสองเนะี่ยตรวจกันบ้านนะไม่จาเป็นจริงๆอะ่ะอย่าส่งกันบ้านเลย ไปดู YouTube เอาหลวงพ่อไปข้างนอกนะใชใจรู้เลยว่าทุกวันนี้คนดู YouTube เยอะ YouTube ที่หลวงพ่อเทศนะ์นะไม่ใช่ YouTube ทั่วๆไปหรอกไอ้นั่นเยอะกว่าที่หลวงพ่อเทศน์แล้วพวกที่ฟัง YouTube ไรแบบดูยู u ูบเนี่ยเวลามีปัญหาติดคัดเนะี่ยมันก็มีคำตอบให้ ก็ไปฟังไปเรื่อยๆนะแล้วภาวนาไปมีข้อติดขัดมันก็แก้ได้ไม่ต้องทุรนทุรายว่าจะต้องมาคุยกับหลวงพ่อหรอกแล้วที่เห็นนะคนข้างนอกที่เขาไม่เคยมาที่นี่บางคนไม่เคยเจอหลวงพ่อก็ภาวนาเป็นอ่ะเขาทำได้ นี่สิ่งที่หลวงพ่อสอนนีนะมันเปิดเผยตรงไปตรงมาเต็มที่แล้วล่ะอยู่ที่เราเอาไปทำเอานี่ต้องใช้สำนวนของสายันสัญญารักน้อ ย, อยแต่รักนานๆโยมชวนตลวงพ่อคุยนะไม่จำเป็นงานที่กินแรงหลวงพ่อเยอะที่สุดนะ คืองานปฏิสันฐานโอโลมปฏิโลมพูดคุยเราไม่ถนัดเลยเวลาไปวัดอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยนะไปเจอญาติโยมบางคนเข้มาคุยอะไรมาถึงมานั่งปุ๊บถ้าพระอื่นเขาคุยได้ทั้งวันนะหลวงพ่อไม่คุยไม่ใช่คนช่างคุยนะสมเป็นลูกศิลพงูดูล หลวงพุดูไม่พูดหรอกถ้าไม่จําเป็นจริงๆไม่พูดนะไม่เคยถามว่าเป็นใครมาจากไหนอะไรเงี้ยไม่ถามครูบาาจารย์บางทีถามหลวงพุดูเงียบๆไปถึงก็ไปกราบท่านแล้วก็ไม่นั่งข้างๆท่านนะผ่านไปช่วงหนึ่งเดี๋ยวท่านก็พูดเองท่านพูดจบ ตอนที่ท่านสอนเราเนะเรารู้สึกเลยว่าโอ้กว่าเมตตาของท่านนะมหาศาลแทบจะจับเราใส่ตะกร้าเลยแบบแต่พอท่านสอนจบท่านถามว่าเข้าใจไหมบอกว่าเข้าใจแล้วครับหรือไม่เข้าใจจไปทําต่อแล้วก้มลงกราบนะพอเงยหน้ามองท่านอีกทีเหมือนเห็นแต่เก้าอี้ว่าง ท่านไม่ได้หายไปไหนท่านก็นั่งอย่างนั้นนะแต่เหมือนไปอยู่อีกโลกหนึ่งซึ่งเราสัมผัสไม่ถึงแล้วท่ท่านไม่ยุ่งกับใครเลยเป็นวันท่านเลยอายุเก้าสิบหกยุ่งมากๆอยู่ไม่รอดหรอกคนจีนเขาต้องมีดีเลยทามในการหัวเราะเนาะแล้ว เรียกหัวเราทีหลังดังกว่าใครจะส่งอันบ้านพวกอยู่วัดว่ามาพรุ่งนี้ไม่อยู่นะจะถามก็ถามเสีวันนี้นมัสการหลวงพ่อคะ่ะคือตอนนี้หนูก็ปฏิบัติตามยังเพลงอยู่ยังเพลงอยู่ บังคับใจนิ่งๆอยู่นะค่ะแล้วให้เป็นธรรมชาติกว่า น, นี้ที่บังคับเพราะอยากดีอยากปฏิบัติอยากได้ผลเร็วๆอย่างนี้ก็ไปบังคับจิตมันจทื่อๆอยู่ใช่อ่ะให้เป็นธรรมชาติอ้นุพ่อบอกว่าเกิดอะไรขึ้นคือแข็งทื่ออยู่<ม>เกิดจากการเพ่ง การแพ่งที่เข้าไปแทรกแซงจิตนนีะ่เกิดจากอยากอยากดนะีไปรู้ทันใจที่อยากแล้วสภาว่าที่หนูเห็นนี้ถูกต้องแล้วใช่ไหมคะเห็นอะไรเห็นว่ามันมันเหมือนมันไหวแล้วมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปเลยจะไม่เห็นเรื่องราวเห็นถูกแต่ว่าสมาธิมันไม่ถูกงนะันถึงเราเห็นตัวนี้เกิดขึไปนานๆนะสมาธิผิดเนี่ยอริยมรรคจะไม่เกิด ตัวสมาสมาธิสำคัญมากเคยเห็นพระนากปลุกไหมพระนากปลกุกมีนาคนาคเจ็ดเศียรมีพระพุทธรูปนั่งปางสมาธิต้องปางสมาธิปางอื่นไม่ได้เป็นซิมโบโลิกเป็นสั ญ, ญลักษณ์นาคเจ็ดเศียนก็คือมรรคเจ็ดตัวแรกคือหัวนาคทั้งเจ็ด แต่หัวนาคทั้งเจ็ดเนี่ยมันมีคอเดียวนึกออกไหมมีหัวขึ้นไปแล้วก็แยกนี้น <c oughs> เป็นสัญลักษณ์ข อ, องอค์มรรคทั้งเจ็ดสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาอาชิวะนี่เข้าไปเท่าไรห้าแล้วสัมมาวายามะสัมมาสติเนี่ยคือนาคเจ็ดหัว กระหัวทั้งเจ็เนี่ยรวมลงมาที่พระพุทธ ร, รูปนั่งนย่นี้นั่นคือตัวสัมมาสมาธิในคมภีรสอนบอกว่าสัมมาสมาธิ น, นะนี่เป็นภาชนะรู้จักไหมเป็นหม้อเป็นไหเป็นที่รวมขององค์มรรคทั้งเจ็ดที่เหลือ ส, ามมาสมาสมาธิไม่ใช่เรื่องเล่น ก็ต้องฝึกให้ถูกแล้วเป็นองค์มรรคที่อาภัพที่สุดเลยไม่มีใครสนใจเท่าไหร่ล่าเลยที่จะพัฒนาสัมาราสมาธิเพราะไม่เคยเรียนจิตสิกขาถ้าเราเรียนเรื่องจิตตนเองนะเราจะได้สัมาราสมาธิขึ้นมาเพราะนเราไปอ่านจิตตัวเองบ่อยๆจิตตัวนี้ถูกเมื่อกี้เนี้ยก่อนที่หลวงพ่อจะชี้หน้านะแวบแั้น่าถูกรู้สึกไหม นั่นแหละคือตัวจิตผู้รู้ของหนูว่ามีขึ้นมาแล้วมีเป็นระยะระยะนะเวลามันเผลอแล้วเรารู้ว่าเผลอมันจะเกิดที่หลวงพ่อมาสอนเนี่ยนะไม่ได้หลับภูหลับตาสอนนะหลวงพ่อทดสอบมาแล้วด้วยตัวเองถึงเอามาสอนเวลาสอนเนี่ยมงอาจกล้าหารนะ่ะไม่กลัวใครหรอกเราเห็นมาจริงๆริงเห็ตอนเนี้ย เราลงไปคิดแล้วรู้สึกไหมตัวนี้เป็นจิตลงคิดพอเรารู้ว่าจิตลงคิดจิตรู้ก็เกิดเนีย่ยฝึกอันนี้บ่อยๆ อ, อย่างขณะเ น, นี้ปีติเกิดรู้สึกไหมปิติเกิดก็ ร, รู้ว่าปีติเกิดสังเกตไหมปีติลดระดับลงละตัวนี้แสดงเกิดทับให้เราดูนะเวลาปฏิบัติจริงนี่เราดูความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ไปบังคับจิตให้นิ่งเฉยเฉยอยู่ บังคับจิตให้นิ่งเฉยๆเป็นมิจฉาสมาธิใช้ไม่ได้อ้กกาวธรรมศากลงพ่อครับเอเห็นความฟุ้งซ่านครับแล้วก็ความฟุ้งซ่านแล้วก็ความคิดครับมันคิดสั้นบ้างยาวบ้างบางครังก็เหมือนครับยังไม่เริ่มคิดดีอะไรอย่างนี้ครับแต่ไม่รู้ว่าบางครั้งไปหยุดมันก่อนหรือเปล่าหรือจงใจ ดูง่ายๆเลยนะถ้าเมื่อไหร่ที่เราจงใจเข้าไปแทรกแซงจิตเนี่ยจิตจะนิ่งๆนงแน่นๆนอึดอัดนี่นเราจะตอบตัวเองได้เลยว่าอย่างถ้าเราพาวนาแล้วก็จิตเราแน่นที่มันต้องมีการแทรกแซงต้องมีการบังคับจิตแะไปดูตัวเองไปแล้วต่อไปก็ค่อยๆสังเกตทําไมไปแทรกแซงทําไมไปบังคับสุดท้ายมันจะลงที่อยากอยากดี ใช่ครับอยากดีต้องมาปั่นสัตบ้าหลวงพ่อเขเลยเพรางนเวลาความอยากดีเกิดขึ้นมีสติรู้ทันก็ไปตรงนี้เลยเนี่ยจิตมีราคาแล้วรู้ว่ามีราคาไปอยากดีแล้วไม่ได้ดีหรอกแต่อยากชั่วนี่ชั่วแน่นอนอยากดีมันก็ดีอย่างโลกโลกดีทางจริยธรรมแต่เวลาทำกรรมฐานเนี่ยอยากดีก็เป็นอุปสรรค ฝึกไปค่อยๆเรียนสิ่งที่ผิดนะล้วจะพบว่าทุกอย่างที่เราทำนะถึงจุดหนึ่งมันคือผิดแต่ทางทั้งที่ทุกสิ่งที่เราทำมันผิดนะมันได้สร้างสิ่งที่ถูกให้เราอย่าเราทำโน่นทำนี่ไปได้่นะสติสมาธิปัญญาจะค่อยๆเพิ่มขึ้นจุดที่ถูกจริงๆมีชั่วขณะจิตเดียวเท่านั้นนอกนั้นก็ยังมวนอยู่กับความปรุงแต่ ว่ายังต้องปรุงแต่ก็ปรุงดีคือศีลสมาธิปัญญาเรียนหลักให้แม่นแล้วก็พัฒนาศีลสมาธิปัญญามีสติรู้เท่าทันกิเลสที่เกิดกับจิตศีลจะเกิดอัตโนมัติมีสติรู้ทันจิตที่มีนิวรณ์โดยเฉพาะจิตฟุ้งซ่านหรือจิตไหลไปจิตจะมีสมาธิมีสติรู้ทันจิตไปก็จะเห็นว่า จิตเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดียวก็เป็นผู้หลงก็จะเกิดปัญญาปัญญาตรงนี้เป็นปัญญาที่ละเอียดมากๆเลยถ้าหลงแล้วรู้หลงแล้วรู้ได้นะี่สุดยอดเลยไปฝึกไปสุดท้ายวิมุตต์มันก็จะเกิดเมื่อศีลสมาธิปัญญาสมบูรณ์พวกเราอยากให้วิมุตต์เกิดพระพุทธเจ้าบอกเลยว่าไม่มีใครทํามรรคผลให้เกิดได้ มันเกิดเองไม่มีใครทําอริยมรรคอริยผลให้เกิดได้มันเกิดของมันเองแต่ไม่ใช่เกิดขึ้นมาโดยไม่มีเหตุท่านบอกเหตุไว้เรียบร้อยเลยมันเกิดเมื่อศีลสมาธิปัญญาเนี่ยสมบูรณ์อริยมรรคก็จะเกิดขึ้นอยู่ๆศีลสมาธิปัญญาไม่สมบูรณ์จะิดเค้นให้อริยมรรคเกิดนะก็ได้แต่ความทุกข์ เป็นอัตตาคิลมฐานโยคทรมานตัวเองเนี่ยจิตยังทรมานตัวเองอยู่รู้สึกไหมตัวนี้ยเป็นอัตตาคิลมฐานยโยคส่วนนั่งเมือนั่งใจลอยเป็นกามสุ ข, ขาริการยุโยคหย่อนไปอ้าวคุณเนี่ยหัวใจสบายแล้วอ้าวตื่นเต้นค่ะไม่ทราบว่ารู้หรือเปล่าเหมือนไม่รู้อะไรเลยอะไรนะ เหมือนไม่รู้อะไรเลยค่ะหรือว่าเพ่งไปค่ะมันมีถูกบ้างผิดบ้างอ่ะมันไม่ได้ถูกตลอดไม่ได้ผิดตลอดหรอกรู้สึกตัวไปดูกายดูใจทำงานไปเราก็จะเรียนรู้สิ่งที่ผิดไปเรื่อยๆพอรู้เท่าทันสิ่งที่ผิดนะไม่ผิดมันก็ถูกเองเลยแล้วสิ่งที่ว่าถูกวันนี้นะภาวนาไปเรื่อยๆ มันผิดไปอีกแล้วมันมีถูกเยิ่งกว่านี้แล้วรู้สึกไหมอันนี้เห็นใช่ไหม <S <S ทำอย่างนี้ยนองว่าเจ๋งแล้วสุดท้ายเจ๋งทำมีอันใหม่เจ๋งอีกแล้วแล้วก็เจ๋งอีกเจริญแล้ว เ, ลลเสือเลล่อมเจริญแล้วเสื่อมอยู่งั้นนะนั่นแหละดีจะเจริญโลกเดียวจะเกิดความหลงผิดว่ากูเก่งการปฏิบัติจเจริญแล้วเสื่อม จุดอ่อนที่ต้องระมัดระวังนะคือการเพ่งบังคับจิตยังทาเก่งอยู่ของเดิมที่ฝึกมั น, มนเพ่งจิตเอานะปล่อยมั น, มนสการค่ะรู้สึกว่าเพง่งเพ่งอยู่แต่ว่าเวลามันออกมามันโทสะเยอะค่ะแน่นอนะนะเคยสอนบ่อยๆไหมถ้าเพ่งมากนะมันหลุดออกมาร้ายกว่าคนปกติแสดงว่าติดสมถา ต่อไปนี้เปลี่ยนใหม่แทนที่จะเป็นนิ่งอยู่เฉยๆนะคิดพิจารณาร่างกายเลยผมไม่ใช่ตัวเราผมมีรูปร่างอย่างนี้มีสีอย่างนี้มีกลิ่นอย่างนี้นะไม่สวยไม่งามเลยเนะี่ยพยายามไล่ๆลล่อย่างเนี้ยดีกว่าไปเพ่งจิตให้นิ่งอยู่เฉย ๆ, ๆออกมาแล้วร้ายเป็นทุกคนแหละอีกเคยเล่าให้ฟังว่ามีคุณยายท่า น, นยังไงอายุต้องแปดสิบกว่าไหลวงพ่อที่เมืองการหลวงพ่อบนใหม่ๆนะ ท่านได้ฟังตอนนั้นมันไม่มีอะไรยูทู e เลยไม่มียเขามีอะไรนะเป็นกล่องเทปเป็นยุคที่ฟังเทปแกมีเทปอยูแ่แล้วแกฟังฟังฟังแล้ว็รู้ว่าภาวนามาหกสิบเจ็ดสิบปีนะทำผิดติดสมาธิอยู่เฉยๆก็มาหาหลวงพ่อในฐานะที่ว่า เป็นลูกศิษย์ครูเดียวกันลูกสิษยหลวงปู่เทศคุณยายท่านลูกสิษย์ปูเทศตามหลวงปู่มาตั้งแต่อย่างาสาวๆอยู่หลวงพ่อดูแล้วคุณยายบอกว่าช่วยแก้ติดสมถะให้หน่อยอย่างที่เราติดนะแต่ของคุณยายติดลึกซึ้งกว่านี้เยอะนะพอเข้าสมาธิปุ๊บนี่นะโลกธาตุดับเลย ร่างกายหายไปเลอที่จิต ด, ดวงเดียวกเลิมเค ล, มเคลิมลงไปกเก่งๆก็เข้าถึงฌานแปดไปเลยอยู่อยู่แคนะั้นแล้วก็รู้ว่ามันไม่ใช่ทางที่มันไม่ใช่ทางเพราะว่าเจ้าชายสิทธัตถะบอกว่ามันไม่ใช่ทางเจ้าชายสิทธัตถะไปเรียนการเข้าฌานชั้นสูงนะจากอาราด า, าบทกับอุทัาบท ไโดยท่ากระดาบมดเนี่ยได้ชั้นแปดท่านบอกไม่ใช่ทางท่านก็เลิกเลยหลวงพ่อดูคุณยายท่านนี้แล้วถ้าเราแก้ให้เลิกเพ่งอะ่ะจะฟุ้งร้านจะไม่มีที่จะอยู่เลยจิต ท, ที่ถูกเก็บกดเอาไว้หกสิบเจ็ดสิบปีจะดีดกลับเลยแล้วไม่มีเวลาพอที่จะแก้นะ เลยบอกว่าต่อไป น, นี้ปรับนิดนึงะจิตสงบไม่เป็นไรแต่อย่าให้ให้ร่างกายหายไปให้มีกายไวให้เข้าเฉพาะรูปฌาน่าเข้าถึงอรูปก็ตายไปแล้วจะไปเป็นพลมมีรูปพอเมตไตรมาเมื่อไหร่ก็ค่อยไปเรียนกับท่านก็นแล้วกันแก้ทัานนะถ้าแก่ตอนเดี๋ยวนี้จะตกนรก เพราะว่ากิเลสที่สะสมมันยพุ่งขึ้นมาเยอะๆเอาไม่อยู่อะของเราหลวงพ่อสอนให้ทำอะไรเออผมคนเล็บฟันหนังเนี่ยดูไปเรื่อยๆนะคิดพิจารณาไปเพื่อทาให้จิตเคลื่อนจากการที่ติดซึ้บูอ่อยู่นั้นตัวนี้ร้ายนะติดแลวร้ายพิจารณาผมคนเล็บฟันหนังเนี่ยมันก็เป็นสมถะแต่เป็นสมถะที่ไม่ลึก จะค่อยๆขึ้นมาแล้วพอจิตสงบลงไปคราวนี้เราจะเดินมิปัสสนะต่อง่ายเพ่งทึอซอบืออย่างนี้ไม่ทำมิปัสสนะแน่จะเฉยๆ ว, วันนี้เอาเท่านี้ก็แล้ว ก, กันนะเสียงไม่มีแล้วคุยกับพระอี่หน่อยใครมีข้อติดขัดก็ถามพวกผู้ช่วยสอนดู ชนะนะเก่งนะแต่ว่ามักจะเลิกตอนที่หลวงพ่อเลิกสอนแนละ้วงั้นวันไหนหลวงพ่อไม่ได้สอนพรนะเชนะก็จะกลับไปด้วยพวกที่ชอบไปแวดล้อมเจนะนะเว้นที่ไว้ให้คนอื่นเขาเข้าไปถามกรรมาฐานบ้างนะมีคนก็้ามาฟองเข้าไปล้อมไว้ยังกับเปลือกไขนะ่เนี่ยไม่กล้าแหวกกลัวเปลือกแตก